ตรงเปรียบเทียบการปฏิบัติเหมือนกับการทำนาเวลาชาว บ, บ้านทำนาก็จะรีบอยู่สามประการก็คือว่ารีบไถคลาดแล้วก็รีบปลูกแล้วก็รีบไถน้ำเข้าไถน้ำออกแต่ว่าไม่ว่าจะรีบเพียงใด ก็ไม่สามารถจะสั่งหรือเสกให้ต้นข้าวมันงอกวันนี้ตั้งท้องวันพรุ่งนี้หรือว่าออกรวงวันมาลืนได้คือทำแล้วนี้ก็ถึงเวลาต้นข้าวก็งอกแล้วก็ตั้งท้องแล้วก็ออกรวงอาการปฏิบัติของพวกเราก็เหมือนกัน ท่านก็บอกว่าต้องรีบอยู่3ามอย่างคือรีบฝึกพัฒนาศีลให้ยิ่งให้เจริญฝึกปฏิบัติเรื่องของจิตให้เจริญแล้วก็ฝึกปฏิบัติพัฒนาปัญญาให้เจริญแต่ก็ไม่สามารถจะสั่งหรือว่าเสกให้กิเลสมันหรืออาสวะมันลด จนกระทั่งศีลอุปาทานทำไม่ได้ถ้าหากว่าทำปฏิบัติทั้งในด้านของศีลสมาธิปัญญาแล้วเนี่ยในที่สุดนะเมื่อถึงเวลาอาสวะกิเลสก็ลดนะอุปาทานก็หมดไปมันก็เกิดขึ้นเองนะถ้าหากว่าเราบำเพ็ญ เจริญศีลสมาธิปัญญาอันนี้ก็เป็นข้อคิดสำหรับพวกเราได้เป็นอย่างดีนะว่าเรื่องการปฏิบัติเราก็ต้องก็ต้องรีบนะต้องรีบทำแต่ว่าก็อย่าถึงกับอย่าถึงกับล้นนะแต่ไม่ว่าจะรีบแค่ไหนเราก็ไม่ควรคาดหวังว่า จะให้กิเลสลดนะอุปทานละได้วันนั้นวันนี้การรีบเนี่ยมันเป็นงานของเราแต่ว่าผลมันจะเกิดขึ้นยังไงไม่มีใครควบคุมบังคับได้มันก็ต้นไม้นะนะหน้าที่ของชาวนาะคือว่ารีบคลาดรีบปลูกรีบไถนาแต่ว่า ต้นข้าวจะงอกจะตั้งท้องจะออกรวงนี่มันเป็นเรื่องของเขาหรือผู้ยันคือเป็นเรื่องเหตุปัจจัยนะเราสั่งไม่ได้เราก็เสกไม่ได้ด้วยแต่ว่าให้มั่นใจว่าเมื่อทําแล้วเนี่ยเมื่อไถเมื่อครานเมื่อปลูกเมื่อไขยน้ำแล้วเหนที่สุดนะั้นต้นข้าวก็ต้องงอกต้องออกรวง ทางทองเราออกรวงในที่สุดเพราะมันเป็นมันเป็นกฎมันเป็นธรรมชาตินะใการปฏิบัติของเรานะเราก็หน้าที่ของเราก็คือรีบทําช่วยโอกาสทุกอย่างให้เป็นการปฏิบัติไม่ว่าจะทําหรืออยู่ในอีเดียบทอะไรนะก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติ เราก็ต้องเข้าใจนะว่าการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ใช่ว่าต้องสร้างจังหวะต้องเดินจงกรมในรูปแบบพระพทุทธองค์ตรัสว่าแม้แต่แม้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนถ้าหากว่ามีสติรู้ตัวอันนี้ก็ถือว่าทำความเพียร น, นะความเพียรมันไม่ได้อยู่ที่รูปแบบว่าต้องต้องเดินเป็นวันวัน หรือว่าต้องไปเก็บอารมณ์มันไม่ได้อยู่ที่รูปแบบตรงนั้นมันอยู่ที่ว่าสภาวะข้างในเนี่ยเป็นอย่างไรยืเนเดินนั่งนอนแม้จะอยู่เฉยๆแต่ว่ามีความรู้ตัวแล้วก็ระงับกิเลสระงับนิวอนได้ก็ถือว่าทำความเพียร อันนี้เมื่อเราหน้าที่ของเราคือทำความเพียนส่วนหน้าที่ของเหตุหน้าที่ของธรรมชาติคือว่าทำให้เหตุปัจจัยมันทำให้เกิดผลขึ้นมาต้องแยกกันหน้าที่ของเราคือปลูกข้าวหน้าที่ของชาวนาคือปลูกข้าวหน้าที่ของข้าวคืองอกนะต้องแบ่งหน้าที่กัน น่าจริงแล้วคือว่าจเจริญศีล ส, สมาธิปัญญ า, าให้มากเสร็จแล้วกิเลสอาสวะมันก็จะลดน้อยถอยลงไปเองมันเป็นธรรมชาติเหมือนกับเวลาไก่เนี่ยมันฟักไข่เนี่ยไก่มันไม่ต้องมันไม่ต้องสั่งนะว่า ให้ไขฟักเป็นตัวเมื่อนั้นเมื่อ น, นี้ถึงแม้ไม่อยากจะให้มันเป็นตัวแต่ถ้าฟักใดที่มันก็ออกมาเป็นตัวแต่ถึงแม้จะอยากให้ออกเป็นตัวแต่ไม่ฟักไม่ทำอะไรกับไข่นั้นมันก็ไม่ออกเป็นตัวเหมือนกันอันนี้เรามันผลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเหตุนะ นาทีของเราคือทำเหตุให้ดีแล้วผลมันก็ออกมาเองบางคนนี่ไม่ทำเหตุเลยก็ไปหวังผลละไม่ทันจะขยับเลยก็ก็อยากได้น่นอยากได้นี่อยากให้เกิดน่นเกิดนี่เราไปเราเวลาเราปฏิบัติเนี่ยลองนะพยายามที่จะประกอบเหตุให้เต็มที่ อย่าไปสนใจผลว่าเมื่อไหร่มันจะเกิดเมื่อไหร่มันจะรู้นะเมื่อไหร่จะสงบจะไปสนใจนะมันก็ถ้าเราทำเต็มที่แล้วเดี๋ยวหรือทำถูกแล้วก็เดี๋ยวก็เกิดขึ้นมาเองอย่างที่เคยได้พูดถึง อ, อุปมา อ, อีกอย่างหนึ่งกับพระองค์นะว่าเนี่ยเมื่อก็ชัางเนี่ย ช่างไม้นะใช้ค้อนจับด้ามค้อนจับด้ามด้ามมีดนะยังไงมันก็ต้องสึกมันก็ต้องหอไม่ต้องมาถามว่าเมื่อไหร่มันวันนี้มันสึกเท่าไหร่นะวันนี้มันสึกเท่าไหร่วันนี้มันรอเท่าไหร่นี่ไม่ต้องถามเพราะยังไงมันสึกรลออยู่แล้ว การปฏิบัติเนะีอย่าไปมัวแต่ถามว่าวันนี้กิเลสลดไปแค่ไหนนะหรือว่าสติเพิ่มพูนแค่ไหนอย่าไปอย่าไปมัวถามถ้าว่าเราปฏิบัติเจริญสติอยู่เรื่อยๆนะสติก็ต้องเจริญงอกงามขึ้นมาเองเพียงแต่เราอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะมันเกิดขึ้นช้า นะกิเลสมันก็ล้อยหลอไปทีละน้อยทีละน้อยเหมือนกันเพียงแต่เราไม่ทันสังเกตเห็นเหมือนกับด้ามมีดด้ามค้อนเนี่ยมันก็สึกไปเรื่อยๆสึกทุกวันแต่เราไม่รู้เราสึกเท่าไหรนะ่เรื่องการปฏิบัตินี่ทางพุทธศาสนาเน้นมากเรื่องความเพียร น, นะเรื่องความเพียร น, นี่เป็นเรื่องหลักผลนี่เป็นเรื่องรองนะ คราวหนึ่งพระองค์ถามภาษาวกนะซึ่งเป็นพระอราหันต์ทั้งเจ็ดองว่าป่างามด้วยภิกษุเช่นใดมีภิกษุเช่นใดที่เมื่อมาแล้วทําให้ป่างามนะแต่ละท่านก็ตอบไปคนละอย่างพระสายฤาษีก็ตอบว่าป่างามเมื่อมีภิกษุที่มีปัญญานะรู้แจง้งพระโมคคัลลานะก็ตอบว่าป่างามเพราะมีผู้ที่ มีฤทธ์นะเป็นเลิอในทางฤทธิ์พ่อนุรุทธาก็ต่อปางงามเพราะว่าผู้ที่มีทิพย์ญาจักษุคือแต่ละท่านเนี่ยก็จะจะพูดถึงคุณวิเศษที่แต่ละท่านบรรลุคือเป็นเอตทัคคะก็ตกลงกันไม่ได้ว่าตกลงปางงามเพราะอะไร ที่ยิคุยกันก่อนนะเจ แ, แล้วก็ตกลงกันไม่ได้ก็เลยไปทูลถามพระพุทธองค์พระองค์ก็ตอบว่าปางามเมื่อพิสูจน์ที่ยังไม่บรรลุธรรมนะเมื่ อ, อบิณฑบาตเสร็จก็มาตั้งกายตรงดำรงสติมั่นตั้งใจว่าจะทำความเพียรเพื่อให้อสวะนะเพื่อให้สิ้นอสวะโดยตั้งใจว่าแม้จะแม้แ ม, แม อาสวะยังไม่หมดก็จะไม่เลิกบาเพ็ญความเพียรอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าพระองค์เนี่ยให้ความสำคัญกับการภาคเพียรปฏิบัติไม่ได้คำหนึง่งไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องผลของการปฏิบัติแต่ว่าเน้นให้ความสำคัญกับเรื่องความตั้งใจคือความเพียรนันภิกษุที่เป็นปุถุชนธรรมดาเพียงแค่ตั้งใจที่จะ บาลุทั้งใจที่จะปฏิบัติเพื่อให้อาสว ก, กิเลสนะมันหมดสิ้นไปมีความตั้งใจขนาดนี้มุ่งมั่นมากท่านก็สารเสริญแล้วว่าพิสูจเชน่นนี้แหละที่ทำให้ป่างดกามเอ็นพุทธศาสนานี่ให้ข้าขังความเพียรมากและเราก็ก็พยายามนตั้ง นะทำความเพียรอยวแล้วก็ตามก็ต้องปฏิบัติด้วยความเข้าใจที่ถูกด้วยนะหลายคนก็มาปฏิบัติเพื่อหวังจะได้ความสงบนะแล้วก็ความสงบที่ที่หวังเนี่ยบางครั้งก็เลยทาให้ไม่อยากจะไปรับรู้อะไรกิกตัดการรับรู้เพราะว่าถ้ารับรู้แล้วเนี่ย มันจะไม่สงบอุตส่าหนีจากบ้านมามาอยู่ป่าก็หวังจะได้ความสงบมาอยู่ป่าอยู่วัดแล้วก็ยังต้องเจอผู้เจอคนก็อยากจะหลีกลี้อันนั้นมันก็ดีอยู่นะแต่ว่าให้เราลึกว่าความสงบเนี่ยมันไม่ใช่ว่าต้องเกิดจากการที่ ตัดการรับรู้ความสงบที่เกิดจากการรู้แล้วก็วางอันนี้ก็เป็นไปได้ถ้าว่าการปฏิบัติเนี่ยมุ่งเพื่อความสงบเนี่ยหลวงพ่อเทียนท่านก็คงสอนให้หลับตาลวให้หลับตาแล้ ว, ลลวก็ไม่จำเป็นต้องสร้างจังหวะก็ได้ก็มาตามลมหายใจซะมันก็สงบแต่ที่ท่านคิดคนวิธีการ เปิดตาแล้วก็เคลื่อนไหวมือไปมาเนี่ยเพราะว่าท่านไม่ได้ใน้นความสงบหรือผู้อย่างก็งคือว่าท่านต้องการก้าวข้ามความสงบเดยเพราะความสงบที่เกิดจากการปิดตาหรือตัดการรับรู้เนท่านต้องการให้เปิดตาแล้วก็เคลื่อนไหวมือไปมา เพื่อจะได้ปลูกความตื่นความรู้ขึ้นมาเพราะสงบแล้วเนี่ยมันมักจะหลงแล้วก็ติดแล้วก็มืดไปเลยไม่รับรู้อะไรนั่นเคยนะเคยให้คนเนี่ยมามาลองปฏิบัติแล้วก็คนนี้เขาก็บอกว่าอยากจะรู้ทมรู้แจ้ง แล้วถามว่าปฏิบัติยังไงเขาก็ปฏิบัติแสดงให้ดูเขาก็หลับตาแล้วก็ตามลมหายใจเคลนเขาใส่แว่นด้วยเขาใส่แว่นพอเขาปฏิบัติเขาก็หลับตาเขาก็วางถอดแว่นแล้วก็วางไว้บนพื้นแล้วเขาก็ปฏิบัตินะตามที่เขาคุ้นเคยตามลมหายใจระหว่างที่เขาปฏิบัติอยู่หลวงพ่อเทียนก็เอาแว่นเข้าไปซ่อนนะ พอเขาปฏิบัติได้สัก5นาทีก็ให้เขาเปิดตาเปิดตาเขาก็หาแว่นไม่เจอไอ้แว่นฉันไปไหนนะหลงพเทียนก็เลยบอกว่าเนี่ยขนาดแว่นยังหาไม่เจอเลยแล้วจะคิดว่าจะปฏิบัติเพื่อให้รู้แจ้งได้อย่างไรแว่นตัวเองอยู่ตรงนี้ยังหาไม่เจอเลยลจะไปหวังเจ อ, อเจอหรือค้นพบธรรมะขั้นสูงได้อย่างไร แม้แต่เรื่องพื้นๆก็ยังไม่รู้นะว่ามันไปไหนอันนี้ท่านต้องการชี้เห็นว่าใการปฏิบัตินี่มันต้องมันต้องเกิดความรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งทั้งข้า ง, งนอกข้างในนะข้างนอกคือว่ารู้รูปที่มันกระทบกับตาหูที่มันเสียงที่มันกระทบกับหูแต่ในเราเดียวกันก็รู้ใจน ะ, ะมีความคิดความนึกอารมณ์ความสึกก็รู้นะ ถ้าปิดตาแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นอกนะแล้วก็ไปเพ่งในก็ไปติดความสงบให้ความตื่นความรู้นะก็ไม่เกิดท่านก็พยายามนะให้ให้ให้พยายามก้าวข้ามความสงบให้ได้เพื่อให้ สติทํางานอย่างรวดเร็วนะใจคิดนึกรู้ทันใจคิดนึกรู้ทันนะรู้รู้ตาเปิดรับรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะแล้วเกิดการปรุงแต่งพอปรุงแต่งก็รู้นะความสงบหรือไม่สงบมันอยู่ที่ความปรุงแต่งนะคือถ้ารับรู้แต่ไม่ปรุงแต่งมันก็สงบได้ ตาเห็นลู้หูได้ยินเสียงแต่ไม่ปรุงแต่งก็สักตวะวัเห็นสักตวะวัได้ยินก็สงบได้อันนี้สงบเพราะรู้แต่รู้แล้วก็ไม่ได้ยึดหรือปรุงแต่ว่ารู้แล้วก็วางมันดีกว่าความสงบเพราะไม่รู้หรือความสงบเพราะตัดการรับรู้ชเช่นไปอยู่ในห้องคนเดียวหรือว่า <c oughs> ปิดตาไม่รับรู้อะไร ความสงบแบบนี้มันไม่สากลนะคือสงบได้เฉพาะบางที่บางเวลาพอเวลาไปทํางานเวลาไปเจอผู้คนเวลาเข้าไปในเมืองก็วุ่นวายเหมือนเดิมอยู่วัดสงบพอกลับไปบ้านก็วุ่นวายใหม่เพราะว่าไม่รู้จักทําความสงบท่ามกลางภัสสะที่มากระทบนะ อันนี้เราก็ลองปฏิบัตินะอย่าไปกลัวนะอย่าไปกลัวความคิดเวลาปฏิบัติสงบเนี่ยไม่ใช่ว่าดีนะหลวงพ่อเตียนนะก็จะแนะให้ปฏิบัติเร็วให้เร็วขึ้นเคลื่อนไหวมือให้เร็วขึ้นเดินให้เร็วขึ้นสำหรับคนที่มันไม่คิดอะไรนะเพื่อขย่าวความคิดให้เกิดและเพื่อจะได้ฝึกเป็นเครื่องเป็น เป็คู่ซ้อมให้กับส ต, ตินะพเพราะสติเนี่ยมันก็นักมวยนะถ้าไม่มีคู่ซ้อมก็อ่อนแอถ้าไม่มีความคิดออกมาเลยเนี่ยมันไม่ใช่ดีนะโดยพอถ้าสงบพราไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไมีไม่มีความคิดแล้วก็ไปไปจมยึดอยู่กวความหรือไปเพลินอยู่กับความสงบนั้นจะต้องปลุกขึ้นมาทําให้เร็วขึ้น ความคิดมันเร่นเร็วสติตามไม่ทันทำใหม่ทำไปทั้งสติตามทันนะสติก็จะไวขึ้นเรื่อยๆเราก็จะเห็นเห็นใจเห็นเห็นจิตเห็นเวทนาไดนะ้ได้ละเอียดอ้อนมากขึ้นนะปฏิบัติไม่ใช่เพื่อเพื่อความสงบแต่ว่าเพื่อให้รู้นะรู้ รู้ความคิดที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้ต่อไปก็คือรู้รูป ร, รู้นามนะให้รู้ว่าไอ้ที่เดินนี่มันเป็นรูปที่เดินไอ้ที่คิดนี่เป็นใจที่คิดมันไม่ใช่เราเดินมันไม่ใช่เราคิดมันไม่มันไม่มีเรามันไม่มีกูมันมีแต่รูปกับนามนะเป็นเพราะความหลงเราก็ปรุงตัวกูขึ้นมา อะไรเกิดขึ้นก็กูทำอะไรเกิดขึ้นก็กูคิดอะไรเกิดขึ้นก็กูมีกูเป็นนะมันนี้ไม่พ้นไอ้ความสำคัญมันหมายว่าตัวกูถ้าไม่เจริญสติมันก็ไม่เห็นนะมันก็ยังหลงอยู่นั่นแหละว่ามีกูมีกูกูเดินกูคิดแต่พอเจริญสติเห็นนะเห็นกายขึ้นไหเห็นใจคิดนึกนะมันไม่มี ไม่มีกูเป็นผู้เดินไม่มีกูเป็นผู้คิดนะแต่มีแต่กายคิดมีแต่ใจมีแต่กายเดินใจคิดนะแล้วก็เห็นเนี่ยมันก็จะย่อยให้ความหรือสลายไอ้ความสําคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวกูขึ้นมาอันนี้ก็จะเริ่มเกิดปัญญาเกิดปัญญาขึ้นทีแรกก็เห็นด้วยสติก่อนนะเห็นด้วยสติก็คือเห็น เห็นอาการที่เกิดขึ้นกับกายและใจเห็นด้วยสติเช่นทําอะไรเดินเดินก็ดีเคลื่อนไหวก็ดีสติก็เห็นกายเคลื่อนสติก็เห็นกายทํางานพอใจคิดนึกสติก็เห็นความคิดนึกต่างๆแต่ต่อไปก็จะเห็นด้วยปัญญา เห็นด้วยปัญญาคือเห็นโอ้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่ใช่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะมันมีเห็นสองระดับนะเห็นด้วยสติกเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยสติก็คือรู้ว่ากายและใจนี่มีอยู่รู้ว่ากายเคลื่อนไหวรั่วใจคิดนึกนะอันนี้เห็นด้วยสติเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกก็คือเห็นอาการของมันนั่นเอง แต่พอเห็นไปเห็นไปมันก็จะเห็นลักษณะเห็นธรรมชาติของมันคือเห็นมันไม่เที่ยงเห็นมันไม่ใเห็นมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนเห็นว่ามันไม่ใช่มันเป็นรูปเป็นนามมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราตรงนี้ปัญญามันเกิดนะอันนี้เราเห็นด้วยปัญญาหม้ไม้ก็เห็นด้วยสตินะก็คือเออเห็นกายเคลื่อนเห็นใจคิดนึก แต่ต่อไปปัญญาก็จะเกิดเพราะความจริงมันย่อมแสดงตัวตลอดเวลามีสติรู้มีสติดูไปเรื่อยๆอยก็จะเห็นความจริง ป, ญญปัญญาก็เกิดแล้วพอปัญญาเกิดแล้วเนี่ยความสงบมันก็มาเองคือปล่อยวางได้คือปล่อยวางมันปล่อยวางตั้งแต่ตอนมีสติเห็นแล้วเห็น ส, สติเห็นก็ปล่อยวาง ก็สงบได้สงบด้วยสติต่อมามีปัญญาเกิดขึ้นจากการที่เห็นความจริงอยู่เรื่อยๆพอปัญญาเกิดขึ้นไม่มีความยึดมั่นถือไม่มีความยึดมั่นถือมั่นมันก็วางได้เป็นการวางได้เพราะมีปัญญาเห็นว่าไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าถ้าไม่มีปัญญาก็ไปยึดว่ามันต้องเที่ยง ไม่ใช่ไม่ใช่แค่กายและใจนี้เที่ยงหรือว่า ส, สมบัติที่มีก็คิดว่ามันเที่ยงคนเรทุกข์เพราะไปยึดว่ามันเที่ยงพอมันหายพอมันเสียพอมันแก่ป่วยก็ทุกข์นี่เพราะยึดแล้วความจริงมันไม่เป็นไปอย่างที่ยึดยึดว่าเที่ยงยึดว่าสุขที่ว่าเป็นตัวเราของเราไอ้ตรงนี้แหละมันทําให้ทุกข์ทำให้จิตไม่สงบทําให้จิตปุ่นวายว้าวุ่นเมื่อ สมบัติเมื่อร่างกายเมื่อคนรักเกิดเมียนเป็นไปที่เคยยึดไว้ว่าต้องเที่ยงที่เคยยึดว่าเป็นสุขนะมันไม่ใช่แล้วแม้แต่ความรู้สึกที่เป็นนามนธรร ม, มเช่นเคยเสพ <c oughs> เคยกินแล้วมันให้ความสุขแต่อยู่ไปอยู่ไปมันไม่สุกละห <c oughs> ลังจากที่เสพ บ, บอ่อยๆ อาหารที่อร่อยกินทุกวันทุกวันกินครั้งแรกมันก็อร่อยดีก็ไปยึดว่ามันสุกนะแต่พอกินบ่อยๆกินบ่อยๆเนี่ยมันไม่สุกมันไม่อร่อยแล้วเริ่มเบื่อแล้วพอเริ่มเบื่อเข้าก็เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาว่าเอ๊ะไอ้ที่เราเคยยึดว่าเป็นสุกนี่มันไม่ใช่แล้วเนี่ยหรือว่าคนที่เคยคนที่มีคู่ครองมีแฟนเนี่ยก็คิดว่าโอ้ ถ้ามีแล้วได้ได้ได้ครองคู่กับเขาแล้วจะมีความสุขก็ยึดว่าการที่ได้ได้อยู่เขานี่มีเป็นเป็นสุขจะอยู่ไปอยู่ไปสองปีสามปีห้าปีเจ็ดปีสิบปีมันไม่สุขนะมันผิดมันมันผิดกับความมันสวนทางกับที่เคยยึดเอาไว้ว่ามันสุข พอมันกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาก็ทําใจไม่ได้นะ ก, ก็ก็รู้สึกว่าว้าวุ่นนะอันนี้เป็นธรรมชาติของของกามาสุขซึ่งที่จริงมันก็เป็นธรรมชาติของทุกสิ่งไม่ใช่เฉพาะกางมาสุขอย่างเดียวพอเราไปยึดมาสุขแล้วเนี่ยก็เตรียมใจทุกข์ได้เลยเพราะว่ามันก็จะแปรเปลี่ยนไป เหมือนกับเรานั่งเนี่ยเรานั่งตอนนี้เรานั่งขัดสมาธิเรารู้สึกเมื่อยเราก็คิดว่าถ้าเราเรานั่งพับเทียบเรารู้สึกเมื่อยเราก็คิดว่าเรานั่งขัดสมาธิจะสบายพอเปลี่ยนท่านั่งเป็นท่าขัดสมาธิมันก็สบายนะแต่ว่าสบายได้ประเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็เมื่อยละเราคิดว่าเอองั้นพิงเสาดีกว่าพิงเสาก็จะสบายมันก็สบายได้ประเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมันก็เมื่อยอีกแล้ว งั้ น, นอนดีกว่านอนก็สบายนะไม่เมื่อยแต่ว่าพอนอนไปสักนอนไปนานๆเนี่ยมันก็กลับเมื่อยแล้วคนที่นอนนอนได้อย่างมากก็แปดเก้าชั่วโมงนอนมากกว่า น, นั้นมันก็เมื่อยนะต้องลุกขึ้นมาเดินต้องลุกขึ้นมานั่งนะคือความทุกข์เนี่ยมันมันมันแทรกอยู่ในทุกอย่างที่เราคิดว่าเป็นสุขอาหารที่เรากินเราคิดว่ามันสุข แต่ว่ากินไปนานๆความทุกข์ก็แสดงตัวออกมาอิริยียบทายก็ตามที่เราคิดว่าสบายแม้แต่ท่าที่เรายืดแข้งยืดขาแล้วคิดว่าสบายแต่ว่ามันก็สบายได้สักพักสักสองชั่วโมงหรืออาจจะแค่ชั่วโมงเดียวหลังจากนั้นก็ทุกข์แล้วนนเนี่ยทุกข์เนี่ยมันมันมันอยู่ประจำมันแทรกอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งรูปธรรมและนามธรรม แต่พอไปหลงว่ามันสุขเนี่ยพอมันแปรเป็นทุกข์เราก็เลยรับไม่ได้นะใจเราก็ทุกข์ตามด้วยมันไม่ใช่แค่กายทุกข์แต่ใจทุกข์ไปด้วยนี่เพราะยึดนะยึดว่ามันเป็นมันเป็นสุขแม้แต่ความสงบที่เราคิดว่าเอออยากได้ความสงบแบบนี้แหละพอได้ขึ้นมาก็เออมีความสุขแต่ว่า ไอ้ความสงบที่เรายึดไว้เนี่ยมันก็ไม่นานหรอกเดี๋ยวมันก็แปรเปลี่ยนไปเป็นความไม่สงบเราก็เสียใจเราก็หงุดหงิดนะไอ้ทําไมเมื่อวานนี้สงบตอนนี้ไม่สงบแล้วมันยิ่งทํายิ่งวาวุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเรามีปัญญาเราเห็นว่าเออ หลังจากที่เราดูด้วยสติมาจนเห็นความจริงเกิดปัญญาขึ้นมาว่ามันไม่มีอะไรที่ยึดได้เลยทุกอย่างมันไม่จีหลังย่างยืนมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนเมื่อเป็นเช่นนี้ก็วางได้ไม่ยึดละไม่ยึว่าเป็นไม่ยึดว่าเที่ยงไม่ยึว่าสุขแล้วพอถึงเวลามันแปรปวนเนื่องจากเราไม่ยึดเราปล่อยวางมาตั้งแต่ต้นเราก็ไม่ทุกข์จิตใจไม่ว้าวุ่นอันนี้ก็เป็นความสงบนะ เป็นความสุขเพราะปัญญาไม่ใช่เพราะไม่รับรู้อะไรไม่ใช่เพราะว่าทุกอย่างมันเลิศเลอเพอร์เฟกสมบูรณ์คนส่วนใหญ่ก็หวังว่าฉันจะมีความสุขได้ทุกเท่าทุกอย่างมันสมบูรณ์พร้อมมีทรัพย์มีบริวารมีสุขภาพดี <c oughs> มีคนรักนะคิดว่าถ้ามีทั้งทั้งหมดนี้แล้วจะมีความสุข แต่พอมีจริงก็ไม่สุขหรอกเพราะอยากจะได้อย่างอื่นอีกเพราะความสุขที่ได้จากสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงแล้วก็ที่ยิ่งกว่านั้นคือว่าสักวันหนึ่งมันก็ต้องแปลเปลี่ยนไปทรัพนยะ์ก็แปลเปลี่ยนไปคนรักก็แปลเปลี่ยนไปสุขภาพของเราก็แปลเปลี่ยนไปนะั่นใครที่หวังว่าจะมีความสุขจะมีความสงบได้ถ้าทุกอย่างมันเพียบพร้อมสมบูรณ์อันนี้ก็เตรียมใจทุกได้เลย แต่ถ้าเรามีปัญญาเนะี่เราก็ไม่หวังว่าจะให้ทุกอย่างมันมันสมบูรณ์พร้อมหรือถึงมันสมบูรณ์พร้อมเราก็เราก็ไม่ยึดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ไปตลอดก็รู้ล่วงหน้าแล้วว่ามันก็ต้องแปรเปลี่ยนไปแล้วถึงเวลามันแปรเปลี่ยนไปใจก็ไม่ทุกข์สงบได้เนะีย่ยเป็นมันเป็นความสงบที่เกิดจากปัญญานะี่ยซึ่งจะเป็นสาวกลกว่า ความสงบที่เกิดจากการหลีกเล่นหนีมาอยู่ป่าหรือว่าไม่ไปรับรู้อะไรหรือว่าปิดตามันสงบชั่วคราวนะพอเจ็บพอป่วยเขาก็ไม่รู้ว่าจะทำความสงบยังไงละนะพอมีอะไรมากระทบหน่อยบางทีก็ระเบิดออกไปคนที่ปฏิบัติในหนักไปทางสมถะเนี่ยก็จะจะมีลักษณะที่ค่อนข้างกดข่มความคิด แต่ว่าพอมีอะไรมากระทบเนี่ยเนื่องจากไม่ได้ฝึกสติไว้เลยหรือสติไม่ได้เน้นพอมีอะไรมากระทบมันก็ระเบิดได้ง่ายกําลังสมาธิที่สะสมไว้เนี่ยมันก็ไปออกทางความความโกรธนะคนที่สงบพราะกดข่มเนี่ยเวลาโกรธยังก็โกรธแรงมากนะ อันนี้เพราะว่าอำนาจของการกดข่มแล้วก็เป็นเพราะว่าการที่ไม่ได้ฝึกไม่ได้ฝึกสติให้รู้ทันพอระเบิดก็ระเบิดแรงนะเป็นอย่างนี้นะจำนวนมากผู้ที่ฝึกสงบด้วยการที่จะกดข่มหรือใช้การเพ่งหรือการตัดการรับรู้การกดการการเพ่งก็คือการตัดการรับรู้ของจิตไม่ให้ไปรับรู้อะไร ให้มันเพ่งอยู่ที่ลมหายใจให้มันเพ่งที่ท้องพอไปเพ่งตรงนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าจิตไม่รับรู้อะไรมันก็สงบได้นะแต่ว่าเนื่องจากว่าไม่ได้ฝึกสติเอาไว้ให้รู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์เพราะว่าใช้วิธีการกบการกดการเก็บอารมณ์สติไม่มีคู่ซ้องไม่ได้เจออารมณ์ไม่ได้เจอความคิดพอมีอะไรมากระทบระเบิดขึ้นมาเนี่ย มันก็ระเบิดไม่ได้เต็มที่เลยเพราะว่าสติไม่มีกําลังที่จะตามรู้ได้อย่างรวดเร็วนะงั้นสงบแบบที่มันสงบได้ชั่วคราวถึงเวลาก็ร ะ, ะเบิดออกมาระเบิดแล้วบางทีก็โกรธแล้วนี่โกรธได้เป็นไม่ใช่หายเร็วนะบางทีโกรธจะเป็นค้างอยู่นานเลยอันนี้ก็ต้องต้องช่างตรองไต่ตรองให้ดีนะว่าเรานะ ปฏิบัติเพื่ออะไรกันแน่นะเพื่อความสงบโดยการหลีกเล่นไม่รับรู้อะไรหรือว่ารอแม่เอาความสงบแต่ว่าเอาความตื่นรู้เอาปัญญานะรู้กายรู้ใจอย่างที่เป็นจริงจนเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วตรงนั้นแหละนะความสงบก็จะกลายเป็นผลทอยได้มันเกิดขึ้นเองนะอันนี้ก็ คำนี้ก็คุยทวนี้กระพาะพร้อมกัน